3. การพิจารณาการเพ่งให้เกิดปัญญาเราจะรู้สึกได้ว่าตัวเราไม่ใช่เราเพราะจิตมันหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้าเมื่อไรเราหลุดออกมาจากโลกของความคิดนะกายนี้ใจนี้จะไม่ใช่เราเพราะจริงๆความเป็นเราไม่มีความเป็นเราเกิดจากความคิดเท่านั้นเองท่านถึงเรียกสักยะทิฐิเป็นแค่ทิฐิเป็นแค่ความคิดความเห็นไม่ใช่ของจริงฉะนั้นเราก็หัดดูไปเรื่อยสังเกตไหม ใจเราเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพง่งเดี๋ยวก็รู้สึกสลับไปสลับมารู้สึกไหมเราเลือกไม่ได้ยังจิตจะเพง่งเราก็ไม่ได้จงใจมันเพ่งเองรู้สึกไหมนั่นแหละมันกำลังสอนธรรมะเราแต่ถ้าเราไม่เข้าใจก็โอ้เพ่งอีกแล้วเมื่อไรจะเลิกนี่เราไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเข้าใจโอ้นี่มันแสดงธรรมะให้ดูมันไปเพ่งให้ดูเราไม่ได้ไปเพ่งนะมันเพ่งของมันเองหรือมันเผลอไปเออดีนะ มันแสดงธรรมะให้ดูมันเผลอให้ดูเราไม่ได้จงใจเผลอนะมันเผอเองการที่เห็นว่ามันทําได้เองต่อไปจะเห็นอนัตตาเราจะเข้าใจเลยว่าจิตมันเป็นอนัตตามันทํางานได้เองรู้สึกไหมจิตทํางานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหยุดนิ่งรู้สึกไหมนั่นแหละเห็นอนิจจังละ่ะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้เกิดดับหมุนเวียนไปเรื่อยเห็นอนิจจังเห็นไหม มันทำงานได้เองนั่นเห็นหน้าตานะธรรมะแสดงตัวตลอดเวลาเลยแต่เราไม่ชอบเราก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่จะเลิกเพ่งสักทีพระมาแล้วหลวงพ่อว่าเอาอยากเลิกเพ่งอยากอะไรที่ไม่เป็นธรรมะแต่ถ้าเข้าใจหลักที่หลวงพ่อบอกนะเออจิตมันเพ่งมันก็สอนธรรมะเราแล้วจิตมันเผลอมันก็สอนธรรมะเราแล้วจิตรู้สึกตัวก็สอนธรรมะเหมือนกันนะรู้สึกได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หลงธรรมะแสดงตัวตลอดเวลา แล้วทำไมจิตใจของเราไม่รับธรรมะเข้ามาเพราะเราชอบอะไรที่ไม่เป็นธรรมะนะเช่นอยากบังคับให้ได้นึกออกไหมทําอย่างไรมันจะเลิกเพ่งเห็นไหมคิดจะทําคิดจะบังคับให้ได้บังคับให้เลิกเพ่งให้ได้หรือทําอย่างไรจะไม่เผลอนี่คิดจะทํานะถ้าทําได้จะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาอนัตตาทําไม่ได้หรอก การเพ่งนี้ถ้ารู้สึกตัวก็ไม่หายเพราะการเพ่งไม่ใช่อกุศลแต่เป็นการควบคุมการควบคุมใจตัวเองเป็นการปรุงแต่งฝ่ายกุศลมันไม่เหมือนเผล่นะทันทีที่รู้ว่าเผลอนี่จะไม่เผลอทันทีเพราะเผลอเป็นอกุศลพอสติเกิดแล้วอกุศลดับแต่เพ่งนี้นะมีสติอยู่นี่แหละเพ่งไปเรื่อยเลยแต่มันไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นนะเออจิตมันจะเพ่งก็เพ่งของมันเองนะเห็นอย่างนี้นะ